เมื่อวานี้ข่าวว่ามีคลิปหนึ่งคลิปวิดีโอก็แพร่กระจายกันเปนทั่วแชร์กันไปแชร์กันมาเรียกว่าทั่วทั่วเมืองก็กได้มั้งเป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งเยอะสักหกสิบเจ็ดสิบมั้งเรียกว่าคุณป้าแลว นั่งอยู่นรถเมแล้วก็พูดว่าโนนว่านี่คนที่โพสก็บัญญายว่าเนี่ยว่าในหลวงตลอดทางเลยจงกระทั่งคนนรถเมยทนไม่ได้ต้องจับส่งไปพาไปหาตำรวจ แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ทนไม่ได้ก็ไปตบหน้าตกจนหันเลยนะต่อหน้าตำรวจคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็เกขียนข้อความไปดา่าสารพัดเพราะว่าความตอนหลังก็พบ ว, ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคจิตนะเป็นผู้ป่วยจิตเวท เป็นผู้ป่วยจิตตเวทแล้วก็ไอ้นี่ก็ด่าดาดานี่ด่าเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ได้หมายถึงในหลวงแต่เป็นเจ้าเหมือนกับในลิกเกรหรืออะไรสักอย่างพวกจากจากวงวงก็กลายเป็นว่าไปหาเรื่องคนบ้าน แต่ก่อนที่จะรู้ข่าวว่านักพิงวันนี้แกเป็นผู้ป่วยจิตตเวทก็ไอคลิปนี้มันก็แพร่สัพพัดไปทั่วแล้ ว, ลวก็ดา่าจะมีการด่ากันสารพัดมุ่งร้ายอาฆาตตนหลังก็ได้ข่าวว่าคนที่โพสคลิปนี้ก็ถูกลบคลิปนี้ไปนะ จริงๆคนบ้านนี่ก็ดูไม่ยากนะเนื่องาผู้ป่วยหลายนี้เนี่ยคนที่อยู่บนรถเมล์เ้าก็เล่าลว่าก็เห็นมาก็ยแค่พูดอยู่คนเดียวตลอดทางเลยแล้วก็ดูแล้วก็บางทีก็หัวเราะนะไม่ใช่ด่าเดี๋ยวเพูดไปว่าหัวเราะแล้ ว, ลวพระก็ด่าม่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็คงมีบางข้อความที่พูดถึงพวกนี้พวกกษัตริย์อะไรต่างๆฟังไปฟังมาไอ้มันไม่ใช่ในหลวงเนี่ยมันพวกกษัตริย์ในนิทานจากๆวงๆ <c oughs> ไม่รู้ไปดูลิเกมาหรือ ไ, ไปดูละครเกี่ยวกับจา ก, จา ก, จากวงๆมันเนนี่มันก็ เป็นเป็นภาพสะท้อนนะว่าคนเราตอนนี้ก็จานวนไม่น้อยนะก็แยกแยะอะไรไม่ถูกนะมองไม่ออกแล้วว่าคนบ้าคนปกติต่างกันยังไงบ้างทีนะ่จริงคนเรานี่ถ้าว่ามีสติมีความรู้สึกตัวนี่มันก็ พูดได้ไม่ยากนะบอกได้ไม่ยากจริงๆแม้กระทั่งคนบ้านี่เขาก็แยกออกนะเขาก็พอจะรู้นะว่าใครบ้าใครไม่บ้ามีอาจารย์คนนึงก็กเล่าว่าพาลูกไปไปบ้านพระคนชราไปทําไปช่วยคนชราเนี่ยนะคนแ ก, แก่ในบ้านพระคนชรามก็มีหลายประเพภทนะ มีผู้ป่วยมีผู้ป่วยมีคนพิการมีคนความจำเสื่อมรวมทั้งสติฟั่นเฟือนหรือว่าเข้าข่ายเป็นบ้าแต่ไม่ถึงกับเป็นบ้ามาขันไปก็เห็นลุงคนหนึ่งกำลังอุ้มอะไรสักอย่างแล้วพี่แกกำลัง กำลังถือเก้าอี้อุ้มเก้าอี้อาจารย์ก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนแกก็ตอบว่ากำลังกาลังขนต้นไม้ไปไปปลูกจะไปที่หน้าไปที่สนามหญ้าเนี่ยรอบๆสนามหญ้าเนห่าทันจะปลูก ต้นม้ที่ขึ้นอะมันฝีมือช่างนั้นแหละอาจารย์นี้แกก็เลยอยากจะผูกมิตรกับลุงคนนี้แกก็เลยทำตามนะอุมะอ้มเก้าอี้แล้วก็เดินตามลุงแกก็เดินเดินออกไปที่สนามหญ้าเดินไปสักพักแกก็หันกลับมามองแล้วก็ถามว่านี่ทําอะไรเนี่ยถามอาจารย์ แาจา ก, ก็บอกว่าขนก็ขนต้นไม้ไปไปปลูกในลุงเนี่ยลุงแกเลยบอกว่าแกจะบ้าเนี่ยไอท้ท่แกขนนี่แกอุ้มเนมันเก้าอี้น้าเหยต้นไม้ก็แปลนะลุงแกรู้นะว่าไอ้คนที่ขนอุ้มเก้าอี้เนี่ยนะมันบ้านะเพราะว่า มันไม่ใช่เก้าอี้ ม, มันไม่ใช่ต้นไม้มันเก้าอี้แต่ตัวแกเองกับไม่รู้ตัวนะว่าแกบ้าเห็นคนอื่นเนี่ยว่าทำอะไรผิดปกติก็รู้นะแต่กับไม่รู้ตัวตัวเนี่ยคนเก้าอี้ไปได้แท้นีนะ่กับไม่รู้ว่าตัวเองบ้านะอันนี้แสดงว่าคนบ้าจริงๆเขาก็พอรู้นะว่า พอจะแยกแยกแะได้ว่าใครบ้าใครไม่บ้าเพีแต่ว่าเขาไม่รู้จักไม่มองไม่เห็นตัวเองนะตัวเองบ้าแต่ไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าคนอื่นเนี่เห็นเนี่ยถ้าเห็นคนอื่นนี่ก็รู้แล้วว่าใครบ้าใครไม่บ้าหรือว่าทําอะไรแปลกๆนะี่ยิงคนที่มีสติรู้ตัวเนี่ยนะก็ย่อมจะรู้นะว่าใครบ้าใครไม่บ้าแต่ทําไมนะ นลนยนี้นี่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยแยกแยะไม่ออกนะว่าป้าคนนี้กับบ้าอันนี้ก็อไรเป็นเพราะความที่จิตใจเต็มไปด้วยคติมัง้งหรือว่ามีการเพ่งโทษอยู่คนเรานี่พอเพ่งโทษพอเพ่งว่าจะมีใครบางคนที่จะไม่จงรักภักดีถ้าจิมันเพ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เจอจนได้ เมือนกับหมอเนี่ยที่ตรวจคนไข้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งสมมติที่เาคนไข้เนี่ยต้องป่วยสักอย่าง เ, เดี๋ยวก็เจอจนไดเน้เจอความผิดปกติจนได้แล้วก็ที่จริงไอ้คนที่คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ไอ้ที่ไม่รู้ว่า บ้านี้เป็นบ้านนี่ก็อันนี้ก็ยกไว้อันหนึ่งนะแต่คนที่แชร์นี่เห็นนะก็คงจะแย่พอกัอนนะนะเพราว่าถ้าแชรเนี่ก่อนแช่คงต้องเปิดดูคลิปนะถ้าดูคลิปก็คงจะรู้วไอ้มันมันบ้านย่างนะนะ้ก็คงไม่ถือสาแต่ก็ไม่แน่สมัยนี้กับคนบ้าก็ถือสานะนบราณเขาว่าเนี่จะถือคนบ้าจะว่าคนเมา แต่คนเดี๋ยวนี้นี่ถือสาคนบ้าแล้วก็ถือสาคนเมาด้วยอันนี้แสดงว่ามันเป็นความลืมตัวชนิดหนึ่งนะเป็นความหลงชนิดหนึ่งความหลงที่เกิดขึ้นท่ามกล่าวผู้คนตำนวนมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีความเศร้าโศกเป็นพื้นแล้วก็มีความ เียดชังเมียคติอยู่มันก็เลยอมองอะไรคล้ายเคลื่อนหรือทำให้สามารถสันึกมันหมดไปนะไม่สามารถจะแยกแยกถูกแยกผิดหรือว่าแยกระหว่างคนปกติกับคนบ้าได้เหมนที่บอกเมื่อวานนะว่ า, นะวากิเลสนะหรือความหลงเนี่ยมัน มันเชวโอกาสมันพร้อมจะโชวโอกาสครอบครองจิตใจเราตลอดเวลามันเชวโอกาสเอาเผลอเมื่อไหร่หนี่เราก็โดนมันเล่นงานได้้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องระมัดระวัง โดยเพาะในช่วงที่บ้านเมืองไม่ค่อยไม่ค่อยปกติเนี่ยผู้คนก็จิตใจก็วันไหวมีใจกับเพื่อนต่า ง, างก็ต้องมีสติรู้ทันนะไม่ปล่อยให้ความความหลงหรือกิเลสนะมันเข้ามาเล่นงานตัวมาหน้าตัวอัตตาตัวมาหน้าทิฏฐิก็เหมือนกันนะ น, นี่ก็เป็นตัวกินเหลสมานนคือความสําคัญว่าฉันดีฉันแน่ทิฏฐิก็คือความยึดติดถือมันในความคิดความเห็นของเป็นความยึดติดว่าเป็นกูเป็นของกูซึ่งก็มากจะโผโกไปว่าเป็นความคิดของกูนี่ดีความคิดของกูนี่ถูกต้องนะเจอใครที่คิดต่างจากกู หรือต่างจากเราเนี่ยนะก็จะก็จะตัดสินว่ามันไม่ดีมันผิดรวมทั้งอาจจะมีความรู้สึกโกรธเคืองคนที่คิดไม่เหมือนตัวด้วยอย่างเมื่อหลายวันหรือหลายเดือนก่อนก็มีคนเป็นคนหนุ่มแล้วก็โพสต์ว่าข้อความในพันทิปในเป็นกระทู้ในพันทิปว่านี่ พอเป็นคนไม่มีศาสนานะก็คือมีคงพูดอะไรต่างๆมีรายละเอียดมากกว่า น, นี้แต่สูงก็คือว่านะไม่มีศาสนาเราก็มีคนเชียนไปด่าเยอะเลยนะบอกว่าทำนองว่าถ้าถ้าเก่งจริงก็ไปอยู่ที่อื่นเลยหรือว่าเก่งจริงก็อย่าไปอยู่ไปอยู่คนเดียวซะนะ บางทีเขาบอกว่าเนี่ยคนไม่มีาศาสนาเนี่ยมันอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าถูกแวดล้อมด้วยคนมีาศาสนาที่จริงใครไม่มีาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนาก็เป็นเรื่องของเขานทำไมเราต้องไปไปเจ็บไปแค้นไปโกรธด้วยเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยมันไม่ตร ง, งความคิดของเราะ ให้เราคิดว่าการมีศาสนาเป็นของดีนะพุทธศาสนานี่ประเสริฐพอมาพบว่ามีคนบางคนเนี่ยเขาหันหลังพุทธศาสนา ก, ร ก, า ก, รกนะ็รู้สึกว่าถูกกระทบนะรู้สึกว่าอัตตาเราถูกกระทบนะตัวตนถูกกระทบทั้งที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้วิจารณ์ศาสนาหรือพุทธศาสนาเลย ไม่เป่นบอกว่าเขาไม่มีศาสนาแต่ว่ามันมีนัยยะว่าเขาเห็นเขาคงเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ดีเขาดึงหันหลยพุทธศาสนาเนี่ยเราจะคิดแบบเนี้ยพอเรามีความคิดว่าเนี่ยเขาคงเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ดีเราก็รู้สึกไม่พอใจแล้วเหมือนกับว่า อัตตาเราถูกกระทบที่ น, นี่มันเป็นผลจากความยึดติดถือมั่นในความคิดในทฤษฎีในอุดมการณ์ภาษาภาหุว่าที่ทถูกปาทางพอยึดติดถือมั่นในความคิดเช่นยึดติดถือมั่นในาศาสนาพุทธนะมันก็จะมันก็จะยึดต่อไปว่ายึดว่าเป็นกูเป็นของกนะูมันจะมีตัวกูเข้าไป เป็นเป็นแก่เลยข อ, ของความยึดติดนั้นฉันพอเห็นได้อ่านข้อความว่ามีคนคนนี้เขาไม่มีาศาสนาก็ไม่พอใจเขาึ้นมาทันทีนะเพราะว่าลึกๆเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเขาเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ดนะีเขาเหมือนเฉยมองข้ามละเลยหลังพุทธศาสนาเลยมองเป็นคนละพวกไปเลย ตรงนี้แหละนะที่มันไอตัวอัตตานี่มันเข้ามาช่วยโอกาสมาทํางานรอบเข้ามาเล่นงานครอบครองใจล่อกนี่คนไม่มีาศาสนานี่ก็ไม่ได้แบบเป็นคนชั่วนะคนที่มีาศาสนาไม่ได้แปลวคนดีเสมอไปก็คนที่ติดคุกติดตารางนักโทษประหารเนี่ยถามว่าเคยมีาศาสนาแล้วก็มีนั่นแหละ นัก็ทษประหารบางคนก็นับถือพุทธบางคนก็นับถือคริสต์บางคนก็นับถือิสลามไอพติดคุกนี่ส่วนใหญ่ก็ประกาศตัวว่ามีศาสนานั่นแหละดูบัตรประชาชนหรือว่าสอบถามเขเออถ้าหากว่าคนในคุกนี่นะที่พุดติดล า, างนี่เป็นพวกที่รูนแต่ไม่มีศาสนานั้นแหละอันนี้หลาก็ถึงข้อสรุปว่าเขา คนไม่มีศาสนาเป็นคนชั่วน ะ, ะคือจะเราถ้าคนในคุกเนี่ยพวกติดคุกติดตรางนะ ไม่ว่าพวกนักเล็กขโมยน้อยพวกคอร์รัปชันพวกที่เป็นอาชญากรนักโทษประหารวนี้ถ้เกิดว่าเป็นพวกที่บอกไม่มีศาสนานี่ก็น่าจะสรุปว่าคนไมีศาสนาเป็นคนชั่วแต่อะไพวกนี้ก็รู้แต่มีศาสนานั่นแหละ มีศาสนาก่อนที่จะมาก่อนที่จะทำชั่วก่อนที่จะตัดสินก่อนที่จะทำาทาผิดต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่คนไม่เคยมองเท่าไหร่มักจะมีข้อสูบล่วงหน้าว่าในคนไม่มีศาสนาเป็นคนชั่วที่คิดแบบนั้นก็เพราะว่า ตัวนึงเป็นข้อความที่รู้สึกว่าไอ้คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยมันกระทบกับอัตตาของของเราเนีแต่ถ้าเราลองคิดสักหน่อยว่าเออไอ้คนไม่มีศาสนาครไม่มีศาสนาก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาทาดีเขาก็มีความสุขถ้าเขาทำไม่ดีก็ก็เดือดร้อนเอง แล้วถ้าเราพิจารณาด้วยสมัยว่าโอ้คนหลายประเทศคนายประเทศนะเขาไม่มีาศาสนานะอย่างพวกยุโรปเนี่ยในยุโรปเนี่ยคนที่นับถือาศาสนาก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าอันยกรรมการป้นญี่การค่ากันน้อยมากนะในยุโรปเนี่ยหรือในญี่ปุ่นก็ได้ ญี่ปุ่นนี่ถ้าไปดูถ้าถามว่ามีศาสนาไหมถ้าตอบจริงจริงอ่ะมีน้อยมากนะไอ้ที่บอกว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยก็ก็แบบพุทธเบียนบ้านนั่นแหละแต่จริงจริงก็ไม่มีศาสนาแต่ว่าการลักขโม ย, ยการปล้นจี้การฆ่ากันน้อยมาก ประเทศที่มีศาสนาเนี่ยนะนับถือศาสนาเคร่งครัดนี่อาจจะกรรมเยอะนะไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามอิตาลีนี่โอยนักเล็กขโ ม, มยน้อยเพียบนะไทยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงประเทศิสลามอย่างปากีสถานบางกระเทศก็มีอันญากรรมเลยเยอะแยะนะอันนี้คนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไต่ตรองเท่าไหร่ ประเทศแคนาดามีนักศึษาไทยกลับมามาที่วัดก็ถามเขาว่าจริงไหมที่ว่าคนแคนาดาเนี่ยเวลาเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่ไม่ล็อกประตูบ้านคือนอกจากไม่มีกำแพง ไม่มีรั้วแล้วนะบ้านเนี่ยประตูไม่ล็อกนะที่ถามนีเพราะว่าเคยดูหนังของ น, นายอะไรจํ จ, จชื่อไม่ได้แล้วเคยดูสารค ด, ดีของของอเมริกันคนหนึ่งนะเขาก็ไปที่แคนาดาแล้วเขาก็ไปเปิดประตูบ้านเปิดเฉยเลยนะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้แยกแยะด้วยบอกว่าทุกบ้านนี้ไม่มีล็กอกบางบ้านก็มีคนอยู่บางบ้านก็ไม่มีคนก็เลยถามคนไทยที่ไปเรียนที่แคนาดาก็บอกจริงแคนาดานี่บ้านเนี่ยก็ไม่ล็อกกันหรอกในเมืองนะ คนธรรดานีงก็เท่าไรว่าไปคนที่ประกาศตัวนักถือาศาสนาก็ก็น้อยนะนะพอๆก็ยุโรปน่นทำไมครับเขาไม่ล็อกประตูบ้านก็เพราะอาญากรรมมันมีน้อยไงไอความไอการที่ไม่ล็อกประตูบ้านนี่คนไทยนี่เข้าใจยากนะเพราะแม้แต่ ออกจากกุฏิต้องล็อกกุฏิเลยเดี๋ยวว่าแต่บ้านเลยนะต้องล็อกกุฏิต้องล็อกประตูกุฏิไว้ทั้งที่เมืองไทยก็เป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนาน 95% แม้แต่ในวัดนี่ก็ยังไม่ไม่ไม่ปลอดภัยจากพวกลักเล็กขโมยน้อยเลยแล้วคนที่ลักเล็กขโมยน้อยพวกนี้ ถามเนดะียวเขาบอกเขามีาศาสนาก็าเป็นพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปความเข้าใจว่าคนมีาศาสนาเป็นคนดีคนไม่มีาศาสนาเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันมันคิดเอาเองนะที่ไม่มีาศาสนาเป็นคนดีก็เยอะท้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็ก็จะได้ไม่ต้องไปไปหนุนยิดลําคาเนี่ยคนที่ประกาศตัวไม่มีาศาสนา ที่จริงเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันปัญหาคนเราทุกวันนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าไปไปยุ่งกับคนอื่นมากไปนะจนลืมทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองอย่างนึงก็คือว่าราาักษาใจให้ปกติไม่เป็นทุกข์แต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเยอะมากเนี่ย ไปเอาปัญหาเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเรื่องตี่นง่ายๆเนี่ยเวลาเราทำความดีเนี่ยเวลาเราช่วยใครเราให้เงินใครเราเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาและตอนหลังก็พบว่าเขาไม่ได้มีความไม่ได้สำนึกในบุญคุณของเรา เขาไม่อเห็นความดีของเราเราโกรธเลยนะเราจะทุกข์มากเลยเราจะแค้นมากมช่วยเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นความดีของเราไม่สำนึกในบุญคุณของเราที่จริงการสำนึกในบุญคุณของการที่เขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่นี่มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นหน้าที่ของเขานะที่ควรจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือสำนึกในบุญคุณของใครก็ตามที่เขาช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยในกรณแล้วในก่อไม่สำนึกในบุญคุณของเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาเอากตัญอยู่เขาก็รับกรรมเองแต่คนส่วนใหญ่นี่จะทุกข์มากนะ ถ้าฉันช่วยในกอแล้วในกอไม่เห็นความดีของฉันไม่สนันึนในบุญกุศของฉันฉันโกรธมากอันนี้เรียกว่าไปเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเนอย่าเอาเอาเรื่องของเขามาสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นจนกัะทั่งเราไม่ทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือ รักษาใจให้ปกติเพราะถ้าเรารักตัวเองจริงเราก็ต้องพยายามดูแลจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ใครเขาหลังหลังแกเราทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเขาไม่มาขอโทษก็เป็นเรื่องของเขาเขาทาผิดแล้วเขาไม่ขอโทษเขาก็เดือดร้อนเองทําไมเราต้องเป็นทุกข์ด้วยว่าทําไมเขาไม่มาขอโทษฉัน แกต้องขอโทษฉันก่อนนะไม่งั้นฉันไม่แห้อภัยแกนะที่จริงถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องต้องให้อภัยเขาไม่ว่าเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เหมือนกับว่าเราเมันก็ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโดนรถชนกลางถนนเนี่ยอุตสาหข้ามทางบ้านาไรยม่มีรถมาชนมาเฉียวจนชายคนนั้นเนี่ย แขนหักขาหักนอนฟุบอยู่บนถนนส่วนรถคันนั้นก็ขับหนีไปสัภา ก, ก็มีรถพยาบาลมามารับชายผู้นั้นไปโรงพยาบาลมาทันทีเลยนะแต่ชายผู้นั้นบอกว่าฉันจะไม่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลจนกว่าไอ้ตีนปีคันนั้นจะมาขอโทษฉันนะคนที่คิดแบบนี้พูดแบบนี้นี่นฉลาดหรือเ่า คนที่ฉลาดนี่คนที่รักตัวเองต้องเยียวยารักษาร่างกายตัวเองก่อนส่วนตีนผีนั้นเนยจะมาขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องรีบขึ้นรถไปโรงพยาบาลต้องให้ความร่วมมือกับหมอและเพียรบาลเพื่อจะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยนี่คือหน้าที่ของเราเวลาเราเจ็บปวด ร่างกายเราเป็นแผลเราทำอย่างนี้แต่เวลาใจเราเจ็บปวดเป็นแผลทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างความโกรธมันคือสิ่งที่เผาลนจิตใจเราให้เป็นแผลให้ใหเจ็บปวดเมื่อแผลเราเกิดขึ้นในใจเราก็ต้องรีดรักษาแผลนั้นเช่นถ้ามันเกิดจากความโกรธก็ต้องให้อภัยเพราการให้อภัยนี่เป็นเยียวเป็นยาที่ช่วยเยียวยารักษาใจ แต่หลายคนบอกว่าฉันจะไม่อภัยนะจนกว่าเขาจะมาขอโทษฉันถ้าเขาไม่มาขอโทษฉันฉันไม่อภัยเขาขอโทษไม่เป็นเรื่องของเขาไอ้เรื่องของเราคือเราต้องรักษาตัวเองก่อนมีรูปบางคนนะดูแลพ่อแม่ดีนะแม่ป่วยพ่อแม่ป่วยก็ดูแลอย่างดีเลยแต่ว่าโมโหที่พี่น้องไม่มาดูแลพ่อแม่ ที่น้องได้แต่โทรศัพท์มาถามแม่เป็นยังไงแล้วตอนที่แม่ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วให้คนดูแลนี่ก็โกรธพี่มากนะโกรธพี่โกรดน้องทําไมเขาไม่มาดูแลแม่พอโกรธพี่น้องนะตัวเองทุกเลยนะดูแลแม่ก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องดูแลแม่ก็เหนื่อยกายอยู่แล้วนะ พอมานึกถึงพี่น้องว่าไม่มาดูแลแม่บ้างน้องก็ทุกข์ใจที่จริงวงางใจนี้ผิดนะเขาจะดูแลเขาจะมาดูแลแม่หรือไม่ก็จะมาเยี่ยมแม่หรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทําเขาก็เดือดร้อนเองในภายหลังนะเช่นอาจจะรู้สึกผิด เมื่อแม่ตายไปพอตายแล้วเสด็จเจ้าทำไมเราไม่มีไม่มาเยี่ยมดูไม่มาเยี่ยมพ่อแม่เลยไม่มาดูแลพ่อแม่เลยไอตอนที่พ่อแม่ไม่ตาย่ก็เฉยนั ok ่นเป็นเรื่องของเขาเขาจะดูเขาจะมาเยี่ยมพ่อแม่หรือไม่มาดูแลพ่อแม่หรือไม่เป็นเรื่องของเขาทำไมต้องเอาเรื่อ ง, ของเขามาเป็นปัญหาของเราด้วยพอเอาเรื่อ ง, ของเขาเป็นปัญหาของเราเราก็เลยลืมทาหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราคือการดูแลศาตร์จิตใจปกติว่าคนที่คนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เยอะนะคนเป็นอย่างนี้เยอะไปเอาไปเอาไปเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นปนัญหาของเรานักปฏิบัติธรรมในวัดบางทีก็ลำคานนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยทําไมคนนี้ไม่ปฏิบัติธรรมนะทําไมคนนั้นไม่ปฏิบัติธรรมนะเอาแต่เดิน ให้เรานิ่ย u ปฏิบัตินะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมคนื่อนี่เดินเฉยเดินเรื่อยเปือ่อยคนที่คิดแบบนี้แสวไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะเพราะว่าไปเอาเรื่องคนื่นมาเ ป, ปน็นปัญหาของเราขอไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือว่าเราก็ดูแลจิตใจเราให้ดี อการไปเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราทุกข์นะแล้วมันทาให้เราลืมตัวความทุกข์ความโกรธกําลังเล่นงานเรายังไม่รู้ตัวนั่ในใครจะมีาศาสนาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ในเมื่อเรามีาศาสนาเป็นชาวพุทธเราก็พยายามทําหน้าที่ของชาวพุทธให้ดีนะดูจิตดูแจงตัวเองไม่ไปเอาไม่เปล่าเรื่องของคนคอื่นมาเ ป, ปน็นปัญหาขงตัว ใครเขาจะจงรับภักดีน้อยก็เป็นเรื่องของเขานให้เราจงรักภักดีในหลวงก็ดีแล้วใครเขาจะไม่จงรักภักดีเลยก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเองทุกวันเนี่ยคนเราทุกข์เพราะเนี่ยไปเอาเรื่องของคนอื่นมามาทําร้ายตัวเองไปสนใจว่าเขา ไม่ควรทำอย่างโน้นไม่ควรทำอย่างนี้แต่เราตนเราลกเลยในสิ่งที่เราควรจะทำกับตัวเองสิ่งที่ควรทำกับตัว อ, อย่างแรกคือการรักษาใจให้ปกติไม่ให้ทุกขนะ์คนที่รักตัวเองต้องทำอย่างนี้แหละ ก, ก, นะนะกินก็ต้องกินพอสมควรนะกินมากก็ป่วยอีกนะ คนเรานี่ถ้าว่าทําข้อนี้ได้แค่ข้อเดียวนี่ลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยนะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองเราทําดีให้กับเขาเราทำดีกับเขาแล้วเขาไม่สนึกบุญคงศเราก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆแม้กระทั่งว่าเขาไม่ชอบหน้าเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหลายคนพอรู้ว่าในคนนั้นคนนี้ไม่ชอบเราเราทุกข์เลยนะแล้วเราก็เลยปล่อยเกลียดเขา และความเกลียดนี่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครทุกนะเราทุกเป็นคนแรกจริงๆเขาไม่ชอบหน้าเราก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือว่าเรานก็รักษาใจให้ปกติไอ้นี้เป็นกันมากเลยนะพอรู้ว่วในกรในขอไม่ชอบหน้าเราเราทุกข์เลยแล้วเราก็ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาคลองใจไอ้พวก กิเลสพวกความทุกข์ที่มาคอยฉวยโอกาสคลรอบงาใจเราอยู่แล้วเนะขาไม่ชอบเราเขาไม่กดไลค์ก็เป็นเรื่องของเขานะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีหลายคนเวลาทํางานก็ทุกข์นะทุกข์เมื่อเห็นเมื่อรู้ว่าคนนั้นคนนี้เขาไม่ทํางานเขาอู้งาน เขาไม่กระตือรือร้นอนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทําไมแปลเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราด้วยจริงอยู่นะบางครั้งการกระทําของเขาก็อาจจะส่งผลต่อส่วนรวมอันนี้เราก็ก็ค่อยหาโอกาสมาพูดคุยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่งน้อยเนี่ยก่อนที่จะถึงประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็รักษาประโยชน์ส่วนตัวว่า น, นีคือว่าใจไม่ทุกข์แล้วใจไม่ทุกข์เพราะไรใจไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ไม่ไปเอาเรื่องของเขามามาสร้างปัญหากับตัวเราเขาจะอู้งานเขาจะไม่ข ย, ยันนะมันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบหรือรับกรรมไปเอง ถ้าทำแค่นี้ให้ได้เนี่ยความทุกข์ในใจมันจะลดไปได้เยอะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกข์เพราะว่าไปไปเอาเรื่อ ง, องคนอื่นมามาสร้างความทุกข์ให้แต่ติดใจตัวเองขีดเส้นให้ถูกแบ่งแยกให้ชัดนะใครเขาจะใส่เสื้อดําไม่ใส่เสื้อดําก็เป็นเรื่องของเขาไอ้เราก็มีเสื้อดำํำเราก็ใส่เนะี่ย ใครเขาจะโศกเศร้าไม่โศกเศร้าก็เป็นเรื่องของเขา เ, ออเรามีความโศกเศร้าเพราะเรารักในหลวง อ, อ่าก็ดีแต่ก็พยายามรักษาแจขงเราให้ดีถ้าเราแยกแยะใจชัดเจนเนี่ยนะความทุกข์ในใจมันจะลดลงไปได้เยอะแล้วเราก็จะพลอยมีเมตตาคนอื่นนการความมีเมตตาคนอื่นเนี่ ย, อ, นนยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันนะเป็นหน้าที่ประการที่สอง ช่เหลือใครเวลาเขาใครตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยนี่เป็นหน้าที่ของเราด้วยเห็นคนบ่วยล้มฟุบกลางถนนแล้วก็ช่วยเขานี่เป็นหน้าที่ของเรานะคือ ม, ม, มีมีเมตตากรุณาแต่ข้อแรกเนะี่ยคือต้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ก่อนปนะ่วยก็รักษาโกรธก็ต้องพยายามบรรเทาความโกรธ มีความเกลียดก็พยายามที่จะระงับความเกลียดนะเติมความเมตตากรุณาเข้าไปในใจความกลัวความเกลียดก็หายไปรู้จักให้อภัยความกลัก็บรรเทาแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นเราก็จะค่อยช่วยคนอื่นสามารถจะช่วยคนอื่นพร้อมช่วยช่วยคนอื่นไดนะ้ลองกลับมาดูตัวเองนะมาทุกวันนี้เราทุกเนี่ยเพราะาเราไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราหรือเปล่านะ เขาจะพูดเขาจะทําอะไรนะี่จะทําสิ่งที่ไม่สมควรหรือไม่เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราใส่ใจได้นะแต่ใส่ใจไม่ใช่ใส่ใจนะัสสาที่จะไปไปทําให้ไปเอาเรื่อ ง, องเขามาสร้างความทุกข์กับเราหรือไปแบบเข้าไปในใจนะแม้กระทังการดูแลพ่อแม่ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยในยามป่วยเนี่ย ก็ควรรู้จักวางนะบางคนดูแลพ่อแม่นี่ไม่ยอมวางเลยแม้ขรังเวลาหลับเวลานอนแทนที่จะได้พักเต็มที่จะได้มีเรืองมีแรงไปดูแลท่านไหนวรลงขึ้นก็ไปคิดห่วงกังวลพ่อแม่นั่นแหละจนหลับไม่ได้จนไม่ยอมหลับพอพักผ่อนไม่เต็มที่ก็สโลสเลหมุดหงิดง่ายพอพ่อแม่ดือ้อ ไมกินยาตามสั่งก็โกรธว่าพ่อว่าแม่แล้วก็มาเสียใจทังหมดนี่มันมีมูลถานแบบที่ ว, ว่าไม่รู้จักปล่อยหรือไม่รู้จักวางบ้างถ้ารักพ่อรักแมาต้องรู้จักวางบ้างนะเราจะได้พักเนี่ยเวลานอนเราก็วางถ้านออกไปจากใจบ้างเราจะได้พักเต็มที่ถึงเวลาอยู่กับท่านก็ใจเต็มร้อยถึงเวลาพักก็วางนะการวาง พ่อแม่ไปจับใจบ้างในเวลาที่ถูกที่ควรนี่มันทำให้เราสามารถจะช่วยท่านดูแลท่านได้ดีได้อย่างเต็มที่แม้ก็ทังพ่อแม่เอต้องรู้จักวางเลยนะนับประสาอะไรกับคนอื่นนะซึ่งไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเนะก็ควรจะวางาลงบ้างอย่าไปเอามาเป็นเป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มแทงใจ ทำไมต้องเอาเข้ามาเป็นเส้นเป็นนามทิ่มแทงใจ้ะเราเนยในเมื่อถ้าพูดว่รักตัวเองลักตัวเองแล้วเอามาทำงั้นกับตัวเองทำไมก็วางก็ลงเขาจะทำอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องเขาถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่มากระทบส่วนรวมก็ปล่อยไปใช้ประโยชนเท่านี้นะกรับ